จบไปนี <c> ้หลวงพ่อจะอ่านเรื่องคนพื้นจากความลายให้ฝังนะนางเยื่ออายุได้สามสิบปีเป็นภรรยาของนายแผ่ดูดอยู่ตั้งบ้านเรือนอยู่หมู่ที่หกบลบางเหลืออำเภอบาง หวัดปทุมธานีทั้งสองมีบท ด, ด้วยกันสองคนและกำลังตั้งคันบทคนที่สามเมื่อพบกำหนดคอดเกิดคลอดลำบากมากแต่ไม่นานคือสองฟัี่ร้อยห้าสิบเกไม่มีโรงพยายบาลและนายแพทย์แสนปัจจุบันือนทุกวันนี้ การคลอดอาศัยหมอจำแย่ช่วยทำคลอดให้เท่านั้นในที่สุดก็คลอดได้เด็กเสียชีวิตเนื่องแาก่อนแอในแ พ, พ้่ผู้เป็นบิดานำทารกไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดน้ำวนส่วนนางเยอะมีอาการจกเลือดแทะเป็นไข้อาการสุดลงสุดลงไปเรื่อยเรื่อย ิจจาอ่อนลงอาอนณ์ในที่สุดก็ชิ่นลมหายใจทำให้ทุกคนในครอบครัวสุขเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงเพราะนางเยิกเป็นคนดีอินเป็นที่รักยิ่งของคนทั้งหลายนางเยิกทุนี้เป็นคนปกฟ้อมอารีและใจบูนใจบุลมันบริจาคทำทานทำบุญ ไม่ได้ขาดร่วมสร้างอุโบสถชอฟ้าดวาจาแรกละของหรือกองตราด้วยซ่อมแจงกุฏิศราเลียอาสะนะไปในวัดนังวนซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านอยู่เสมอเราได้ว่าเป็นผู้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาแย่งเข้มแข็งผู้หนึ่งสุขของนายอดตตั้งเอาไว้ที่บ้านเจ็ดวัน ทุกวันจะนิมนต์พระนางตรวจเนธขมูลอุทิศส่ว น, ใน ส, สนให้แก่ผู้ตายดังปิียญนีสําหรับศพของ น, นานงยอดคุณีประหลัดกว่าผู้อื่นเนื่องจากเวลาผ่านไปหลายวันแล้วสภาพของศพก็ยังเหมือนคนนอนหลับไม่คลื่อนอึดไม่มีกลิ่นในเน่าเหม็นไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น แม่ผิวเนื้อจะเย็นสำหรับศพของนางเยอะผู้นี้นะประหลาดกว่าผู้อื่นเนื่องจากเวลาผ่านายหลายวันแล้วสาภาพของศพยังเหมือนคนนอนหลับไม่คื่นอืดไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นแม่ผิวเนื้อจะเย็นแต่เนื้อตัวก็ยังอ่อนละโอยเช่นคนทั่วไป กระทั่งครบเกดวนันซึ่งจะต้องนำศพไปเผาจึงมีการนำลงศพมาเพื่อบัรจุกศพที่บ้านของหลังเยอะมีคนมาช่วยกันอย่างคับข้ง่งนายแพยผู้เป็นสามีและลูกอีกสองคนสุขเศร้าอย่างที่สุดแต่ผู้ที่เศร้าที่สุดเสียใจที่สุดยิ่งกว่าใครก็คือนางหนก ซึ่งเป็นตานายหนกผู้เป็นตาของนางเยอะนายหนกนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นลำพึงลำพานอยู่ข่างๆศพของนางเยอะซึ่งใช้ผ้าคุมหมาไว้ขณะที่นายหนกกำลังจปหลับร่งไห้เนี่ยนา่นก็เกิดเหตุแตตื่นขึ้นในบ้านก็ศบที่นอนแน่นิ่งของนางเยอะ เกิดกระดุกกะดิกขึ้นมาไม่เพียงแต่ศพจะเพื่อนหวยได้ยังงงเงงงงเงงลุกขึ้นมาอีกด้วยนี้แหละคนในบ้านนะโอ้โห <c oughs> เดือดกันเป็นแถวๆนะตาลีตะเลือกโอละโหนโอระมานกันเลยหมดนะคิดว่าผีนางเยอกเยีย น, นอาราวาัสกลางวันแสบแกลดแต่ถ้างางเยอกพูดบอกกับนายหนบคู้บิดา ผู้เป็นตาตึ่นั่งอยู่ข้าวอ่ะตาสัญญาไม่ตายนะนะคนนี้กำลังแตกตื่นทีงได้มีสติแฝงกันเข้ามาลุมล้อมนางเยือกและทุกคนต่างก็ปิติดีใจเป็นที่สุดที่นางเยือกฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากนางเยือกพักผ่อนกินน้ำและข้าต้มพอมีแรงขึ้นมาบ้างแล้ว นางเยิ้ก็เล่าให้ทุกคนฟังถึงเหตุการณ์ที่พิสดารหลังจากกินใจตายว่าเกิดอะไรขึ้นนางเยิ้เล่าว่าขณะที่นอนป่วยด้วยความอ่อนเพลียเพราะตกเลือดตัง้งใจจะนอนพักสักครู่ก็ได้หลับไปทันใดก็เห็นลูกที่ตายไปเรีมายทางปลายเท้าเอามือจับหัวแม่เท้าข ย, าขยา่าขย่าบอว่าแม่แม่ไปคนเดีย ในลานนั้นนางนางเยอคลืมไปว่าตัวเองกําลังนอนป่วยนับเตรมทุกสิ่งทักอย่างมิแต่ความเป็นห่วงลูกซึ่งตายตอนคลอดจึงได้ลุกขึ้นตามไปจําได้ว่าไปได้หน่อยหนึ่งลูกก็หายไปและตัวเองมายืนอยู่ข้างกองแรงสูงใหญ่เดี๋ยวหาลูกก็มาเห็นยังนึกแปลกใว่านายเปสามีกับลูกอีกสองคนที่บ้าน ทำไมไม่ต่างมานะตัวนี้นางเยือกยืนอยู่นั่นมีนางเยือกยืนอยู่คนเดียวเป็นที่เปลี่ยวร่างเงียบสงบวังเวนเป็นอย่างยิ่งมองไม่เห็นใครเลยทำให้เคยดความรู้สึกกลัวและว่าเวย่างบอกไม่ถูกกองแพงที่นางเยือกยืนอยู่ใกล้มีความสูงลึกริลวและมีป้อมอย่างเป็นระยะระยะ นางเยอะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนอกจากเดินลัดร็อกไปข้างๆกําแพงหวังว่าจะพบใครบ้างแต่เดินมาตั้งไกไม่พบใครเลยเดินมาได้คู่หนึ่งได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบกันดังเกรงกล้างเกร็งกล้า่งมาจากหลังกำแพงหนั่นไม่รู้ว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงอะไรนางเยอกเดินต่อไปอีกก็เห็นประตูกําแพงบ้านใหญ่ ตรงประตูนั่งมียางร่างสูงใหญ่หน้าตาดุร้ายยืนพ่ออยู่นางเยิ้มองผ่านประตูเข้าไปเห็นหญิงชายจํานวนมากมีโซ่ตรวนฟันธนาการแขนข า, าไว้ทําให้เพิ่งรู้ว่าที่มาของเสียงโลหะกระทบประก็คือเสียงโซ่ตรวนเหล่านั้นนั่นเองนางเยิ้เดินนางเยิ้เห็นคนถูกใส่โซ่ตรวนจํานวนมาก เดินกันข่อยก็ เ, เกิดความอยากรู้ก็ เ, เขาเรานั่นทำปิดจิดได้อะไรจริงถูกจองจังเช่นนั้นนางเยิะเดินเข้าไปถามยามว่าจะเข้าไปดูภายในได้หรือไม่ายามตอบว่าผู้ที่จะเข้าไปในแดนนี้ได้ต้องมีผู้คุมนำมาเท่านั้นนางเยิะได้ฟังดังนั้นจึงเดินต่อไปไปถึงลานกว้างใหญ่ไม่ถนนหลายสาย ทอดมาบรรจบกับลานแห่งนี้ตรงกลางลานมีบัลังตั้งตระหงานอยู่บนบ้งลังมีชายท่าทางสาง่าเหนีอยน่นนั่งอยู่ตามลงมามีที่นั่งหลายต่างบนต่างนมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่และมีสมุดข่อยสีดำคล้ายคอี วางอยู่บนตกตรงหน้าเครื่องแต่งกายของคนทั้งสองมีแสงลูบวับวูบวับายกบเล่นขนเล่นละครแง่เยือบเรเอาเองว่าคงเป็นพยายมแน่ๆบนถนนแต่รักสายมีคนแบกหางคนตายที่ถูกมัดตัวมาเป็นทถวแถวผู้ที่แบกคนตายมีรูปร่างกำยำหน้าตาดูน่ากลัว ยังเลอกเห็นแล้วเชื่อว่าต้องเป็นยมาทูตเมยมาทูตนําคนตายมาถึงเบื้องหน้าบันลังก็ว า, างลงกับพื้นพญโยมราชถามผู้ดูแลส ม, มุดคอยว่าเออคนคนนี้นะมันทํากรรมอะไรมาผู้ ด, ดูแลส ม, มุดคอยกดปวดแล้วตอบว่าคนนี้ทํากรรมเร็วอย่างนั้นอย่างนี้การทํากรรมดีไม่ปรากฏ พยายมราชรับฟังแล้วจะมีคำสัง่งให้นำคนคนนั้นไปรับโทษตามโทสารนโทษแนวเยอกเอ่ว่าไปเห็นคนที่ทำกรรมเดี่ยวสามกรรมทำกรรมชั่วถูกลงโทษอย่างหน้าหวัดเสียวรหยุดสยองเช่นบางคนถูกโยนเข้าไปในกองไฟนะซึ่งเป็นกองไฟที่ลุกโทงแดงฉาน บางคนถูกเที่ยน้วยหวายเป็นเหล็กและมีเปลวไฟลุกตลอดวันบางคนถูกจับตรงภายในกลางโงหนามและหนามเหล้านั่นเป็นเหล็กแหลมไม่กิดปลายหอกตลอดอาณาบริเวณที่มีการลงโทษคนบาปที่ทำความชั่วอึงโอนไปด้วยเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างสหัสักน นางเยอะรู้สึกหวาดกลัวจนแทบจนบารรยายไม่ถูกแต่ขณะเดียวกันก็ยังอยากดูอยู่จึงดินจงยืนยืน ด, ด, ด, ดูอยู่ตัวไปอีกนานในเวลาในเวลาเดียวกันนั่นก็เห็นมีบางคนถูกมัดพาตัวมาพอมาถึงหน้บาบาลาไม่ยมผู้ดูแลสมุดค่อยรายงานต่อพปว่าคนนี้เป็นคนดี มีจิตใจเป็นกุศลยังไม่ถึงกำหนดชช่นอายุพระยาโยมจึงสั่งให้นำตัวกลับไปคนตายเรื่องถูกมัดอยู่เชือกที่มัดก็จะจูดหอกเองแล้วคนคนนั้นก็ลุกขึ้นมาพนมมือไหว้ก่อนจะถูกพาตัวออกไปขณะที่นางเยือกยืนดูเหตุการณ์อยู่พระยาโยมเหลือบมาเห็นเข้าจึางถามว่าอา้าวนั่งคายละ่ะ มาอยู่อยู่ทำไมนะมาอยู่ที่ทําไมล่ะนางเยอะได้ยินพญโยมถามด้วยน้ําเสียงเป็นปกติจืนสอบด้วยความนอบน้อมแต่ว่าฉันหลงทางมาเจ้าพระพยายมเห็นนางเยอะมาคนเดียวโดวยไม่มีโยมมาทูตควบคุมมาจึงให้ควรดูแลสมุดบัญชีแล้วก็ตรวจ ด, ดูในบัญชีตรวจ ด, ดูอย่างละเอียดแล้วก็รายงานใหนสา บ, บาน นางเยอะผูนี้เป็นคนดีมีศีลแล้วก็ถือสัจด์กไม่หลอกลวงใครไม่พูดคงเช็ททำบุญสร้างกุศลไว้มากและยังไม่ถึงเวลาตายไม่ยมรับทรากที่งานก็ลปลว่าเออเองเป็นคนดีนี น, นะบุญกุศลที่เองทำไว้ไม่ไปไหนหรอกจ้าทำเช่นไรก็จะได้เช่นนั้น เมื่อพ ย, ยมพูดอย่างนั้นนางเยอะ์ก็เกิดเห็นเป็นภาพนี้ขึ้นมา ท, าทันทีเป็นภาพบทมีช่อฟ้าบาราคาและมีกลงสะา ا อีกข้างยังมี้ะฆางรังเอ่งงานเอ่งงานจากนี้ก็ ย, ยังเห็นศาลาสีมุกร่มรื่นตั้งอยู่ริมแม่น้นำสายไหลยเย็นมองไปอีกทางเป็นศาลาหลังใหญ่ บนศาลามีสำหรับอาหารขาวหวานกุ่งแต่งอย่างต้นนีษวางไว้มากมายหลายสำหรับมีทั้งสำหรับเล็กสำหรับใหญ่นั่นเยอะแต่ว่าลักษณะของบทศาลาของวัดนะ้นดูคุ้นตาเหือเกินทกากับวัดวังวัดน้ำวนที่อยู่ใกล้บ้านแต่จะว่าเป็นวัดน้ำวนก็ไม่ใช่ พ่บทสลาที่เห็นเนี่ยมันวิกิตสวยงามเกินกว่าจะบรรยายขณะที่นางเลิกยืนดูบทสลาเพื่เพลินอยู่ น, นั่นก็ได้ยินพระเยโฮพูดด้วยเสียงอนางว่าเองยังไม่หมดอายุยังมีโอกาสทําความดีได้อีกมากจงกลับไปก่อนเถิดไม่ได้ยินพระยโราชบอกให้กลับไปได้ก็รู้สึกดีใจ ยังรีบวิ่งออกไปจากสถานที่แห่งนั้นเพื่อกลับบ้านของต น, มา น, านเมณางเยอะได้ยินพระโยมสั่งให้กลับบ้านความรู้สึกห่วงลูกวูบเข้ามาในใจรีอบออกจากสถานที่นั้นพอเดินพ้นบริเวณแห่งนั้นแล้วเดี๋ยวขับไปดูพอรู้สึกแปลกใจที่ลางกว้างมีคนมาจุน ง, งกันหายวับ ไปแล้วอย่างไร้ร่องรอยปรากฏว่าตัวเองมายืนอยู่บนถนน อ, นอนเงียบสงบสายหนึ่งถนนสายนี้สะอาดส ะ, ส ะ, สะดอ้านบระสัทธิ์ขูนละอองลอดลอยบรรยากาศเย็นสบายดูแจ่มใสสว่างน่าทางที่ไม่มีแดดสองฝันน่งถนนมีไม้ดอกปลูกไว้เป็นแฟงแงๆงยังมีระเบียบและสวยงามมาก ไม่ดอกล้วน้นมีรูปร่างสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหอมถูกปลุกปันางเยอะเดินระจามถนนด้วยความเป็นสุขสดชื่นเป็นมาได้ครู่สักครู่ก็เห็นบ้านบุกเรียงรายอยู่สองฝั่งถนนบ้านแต่ละหลังสวยงามอ่อ่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในเมืองคนในชีวิต ในบ้านมีคนลูกด่างหน้าตาสวยงามหรูอาศัยแต่งกายด้วยอคบนหรูหลามีค่ า, ม า, นานเมื่อนางเยอกเดินผ่านผู้คนในบ้านนี้ก็ยิ้แย้มด้วยอัิยาศัยอันดีนางเยือกคิดในใจว่าคนพวกนี้ดูมีความสุข ก, กันลึกเกินไม่รู้ว่าพวกเขาทำบุญด้วยอะไรที่ได้มีบุญลาสนาถึงอย่างนี้ เดินชมบ้านชมคนเพลินๆไยมาถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้งดงามพอๆกับบ้านหลังอื่นมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านต้องบอกนางรว่าไม่เยอะงจานเยิ้บ้านนี้แหละที่เธอสร้างไว้เมื่อเธอหมดอายุแล้วจะได้มาอยู่บ้านหลังนี้นะหางเยิ้ฟังแล้วปดีใจ ขณะเดียวกันก็เกิดคิดถึงลูกขึ้นมาอีกจนคนไม่ไหวรีบเดินกลับบ้านความรู้รู้สึกในตอนนั้นสาดหายไปมุกหนึ่งพอรู้สึกตัวก็พกบ้าตัวเองกำลังนอนเหยียดยาวมีผ้าคุมหน้าคุมตาไม่ได้ยินเสียงลิงลงๆดังใกล้ๆเวลายิ่งผ่านไปเสียงนั้นก็ยิ่งดังยิ่งดังชัดมากขึ้น หนังลิงลิงลิงลิงลิงลิงโอ้เอาความไปมาเป็นเสียงร้องไห้ของฐานอกนั่นเองจึงร้องบอกไปว่าฉันยังไม่ตายหรอกตานั่นคือเสียงบอกให้รู้ว่านางเยือกรุนจักความตายแล้วและกลับมามีชีวิตใหม่อย่างเหลือเชื่อทลังจากนางเยือกตายแล้วพื้นนางเยือกก็ยิ่งตั้งอกตั้งใจประกอบกรรมทำามดี ยิ่งกว่าเดิมเพราะได้ไปเห็นมาแล้วว่าผู้ประกอบครามชั่วได้รับผลเป็นอย่างไรผู้ประกอบครามดีไม่สับสนเป็นอย่างไ ร, ร, ไ, มง ไ, รไม่เพียงแต่ครอบครัวหนางเยือกจะมุ่งมั่นทําแต่ความดีแถว บ, บ้านตาบลบางเหลือซึ่งรับรู้รับฟังนางเยือกว่าตายไปแล้วมันไม่ได้ศูนย์กิญญาณไปพกเห็นอาไรมบ้าน นางก็พาปันหวัด ต, ตัวผลของการกระทำความชั่วกันทวนหน้ายิ่งพลอยตั้งตอนอยู่ในกุงาจความดีกันทั่วทุกครัวเรือนสำหรับนางเยกทงานเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งทําบุญกุศลความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดินทองที่หามาได้ก็จะถูกการเอาไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนส่วนได้ กำลังใช้ใจในครอบครัวส่วนใดควรเก็บไว้ส่วนใดไปใช้ทำบุญทำทานพนกบาลูพระพุทธศาสนาเช่นสร้างโบสถ์สร้างไิหาสนานสนะให้แก่วัดวังอารามก็กกอนไว้เป็นส่วนเป็นส่วนกล่าวได้ว่านางเยอะแยะครอบครัวทําบุญทําทานมากมายแต่แน่ประหลาดที่ทำบุญไปมากเท่าไหร่ก เงินทองก็ไม่ร้อยหรอนะยิ่งทำมันก็ได้มากกว่าที่เสียบไปด้วยซ้ำแถวหนึ่งที่วัดน้ำบุญมีงานฝังลูกนี่นางเยือกขอหาลูรุกปล่อยงานโดยนําเงินติดตัวไปด้วยจำนวนหนึ่งนางเยือกแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งการไหวยเพื่อซื้ออาหารกินอีกส่วนหนึ่งเตรียงไหว้เพื่อทําบุญ ข่านไปในงานสองลูกนิมิตได้ยินมัคนโยกประกาศเชิญชวนให้ร่วมบริจัดทมบุญสั้นบุศสโอ้โหขอกดเพราะเพราะหวานจับใจนะปิดลุกยิมิตที่หนึ่งของรสสพลขอกดเป็นคอมกอในนังเยอะในความรู้สึกปิติตื่นตังจึงได้นำเงินทั้งหมดไปบริจัดให้วัดวนหมดกระเป๋าเลยอ่ะ เป็นอันว่ามันมีเงินซื้ออาหารมารับประทานแต่ก็หนะ้าแปลกที่นางเย็กใหลูกๆทำบุญแล้วไม่รู้สึกหิวเลยอิ่มอกอิ่มใจ่าเข้าไปในใจเหมือนได้กินน้ำทิ่ขณะที่นางเย็กเข้าไปปิดทองนุกไม่มิดกำลังอธิษฐานปิดทองไปเปลี่ยนแทนแรกได้ยินเสียงกลองตสดานจากช่บฟ้าใบละการประทบกันน้ง กิงกองกิงกองเอไปหรอสุดสายคล้ายกับที่ตนไปได้ยินได้ฟังเมื่อตายไปแล้วที่ไปเห็นบทตอนแม่ไปยมก็แม่นางยอกเกิดชัชชาแรงกล้าถึงกับทอดซร้อยชพร่างหนึ่งเส้นซ่้อยแขนอีกสองเส้นแหนบแหวนหัวพลอยอีกหนึ่งวงย่อนลงไปฝังที่ควนหลุมที่คอยจะฝังลูกเมฆเม็ดนั้นด้วย เมื่อกบจัดการทำบุญถึงบ้านนางเยอะก็เล่าให้สามีและลูกๆที่ไม่ได้ไปด้วยฟังทุกคนก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจยนะยิมแย้มแจงมใสอนุโมทนาสาธุแสดงความยินดีกับนางเยอะที่ได้ทำบุญไปแล้วนั่นนางเยอะมีบุตรและที่ดาน่าหมดสิบเคนลูกๆทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในโอราว่า เป็นคนดีไม่มีใครกิกเกลให้เดือดร้อนแม้แต่คนเดียวส่วน น, นางเลือกนั่นเป็นอุบาจิกาที่เค้่งครับถือศีลภาวนาและประกอบกุศลตามสมควรไม่ได้ขาดและมีอายุยืนถึงเก้าอปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคาเาสิยติได้แรงอันใดมาเบียด เ, เบียนตลอดชีวิต และยังรู้วันตายของตัวเองล่วงหน้าอีกด้วยก่อนถึงวาระที่นางเยกเชลาจะโตนิอีกสี่วันนางเยลได้เรียกรูกๆมาชุมนุม ก, กันไปพร้อมหน้าและให้โอวาสให้ประพฤติปฏิบัติตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามให้รู้จักระมัดระวังการดำเงชีวิตให้อยู่ในทางที่ถูก ท, ที่ควรตลอดไป สิ่งใดควรจ่ายสิ่งใดควรประหยัดก็ต้องมีสตริรับรู้ดูแลอย่าประมาิมั่ประกอบผู้สนสมบูรณ์ให้ทานตามสมควรกัฐานะอย่าหลงมัวเมานะใบมุกสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสุลานานีกิรบัตการพ น, น, นันการกินเหล้าออกินยาอย่าประเจกต้องโดยเด็ดขาด เพราะโ้ลแน่งกรรมทั่วทั้งหลายนั้นมันน่าจะพึงกลัวยิ่งนักและบอกให้ลูกๆให้รู้ว่าอีกสี่วันก่แม่ก็จะลาจากกันแล้วบรรดาลูกๆม็รู้ว่าแม่จะถึงวันละต้องตายจากไปเ ข, ขาผ่าปานเล่าให้ลำพานด้วยความเศร้าโศกนางเยอกก็ให้สติลูกบอกว่ า, วาบอกให้ระหนักถึง ความเป็นปกติของการเกิดแก่จดตายอันเป็นธรรมดาของโลกต้องมีสติยับยัางความอาดูนทั้งหลายเชยพอถึงจะร้องไห้แต่เสียใจเช่นไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงออ้จังของชีวิตคนเราได้อีกชีวันต่อมานานเยอะก็ถึงเก่ดความเรื่องความสงบดำที่รู้ตัวโลงหน้าไว้ทุกประการ แต่เป็นที่หวังได้ว่าแม่เย็บตายข้างนั้นคงไปสู่สุปติพบอย่างแน่นอนการอ่านหนังสือเรื่องผลพื้นจากความตายปัดจุกลงไปแล้วเนาะพวกเราทั้งหลายทั้งผู้อ่านผู้ฟังก็จงเอามาเป็นคติอสอนใจให้เราทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าน้อยที่สุดตื่นมาตอนเช้า ยังไม่จ้องออกจากที่นอนก็กลับกับที่หมอนกลับครั้งที่หนึ่งไม่ว่าเรากราบองค์พระพุทธเจ้ากลับครั้งที่สองไม่ว่าเรากราบพระธรรมความสัมองอนของพระองค์กลับสสรององ am, ครั้งที่สามไม่ว่าเรากราบพระสงฆ์สาวกขององค์พระพุทธเจ้ากรับครั้งที่สก็คือกรบบิดามารดากับครั้งที่ห้าถ้าเรานับถือองค์อู่องค์พ่อ แต่องค์หลวงปูหลวงพ่อคิสไปกลับในลูกกับที่เท้าของท่านทุกวันทุกวันทีนี้ที่ตายแล้วที่วิญญาณเราจะไปมันมีอยู่ห้าที่คือที่อบัยภูมิทั้งสี่ที่มนุษย์โลกที่เทวโลกที่ภูมิโลกและที่ปณิพานแล้วพวกเราจะไปที่ไหนก็ตั้งใจอนิสฐานไปที่นั้นที่เดียวตรงอย่างได้ มีจิตใจโลเลโซเซไม่มีจุดมุ่งหมายทำบุญก็ไม่ได้อธิษฐานถ้าเราตายไปแล้วมันก็สะเปกสะปะเราไปที่ไหนไม่ถูกเขาก็จะมาคุมตัวไปที่อับาลภูมโนน่าต้องไปถูกใจสวนสอบสวนแล้วก็ไปสะบวยวิบากกรรมตามผลกรรมที่เรา สร้างไว้เมื่อ ม, มีลมหายใจเขา้าออกแต่ถ้าผู้ใดมีความดีมากมากอย่างเราจะทำบุญทำท า, ทานละดันนาเทพเจ้าทั้งหลายมาร่วมเป็นเจ้าผ้าร่วมอนุโมนนาเขาก็จะพากันมารับเวาเรานะจะมีรถทิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาซ่วยขึ้นพวกเราขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าคนเรา ใกล้จะตายภายในเจ็ดวันจะเห็นนิมิตว่าเราจะไปที่ไหนหนึ่งถ้าเห็นไฟเห็นเครื่องมือที่เราทาร้ายสัตว์เครื่องมือที่เราฆ่าสัตว์หรือว่าเราทําความชั่วไห้ได้ทําแบบไหนแบบไหเห็นสิน่งนั้นเข้ามา ก, ก่อนจะตายภาในเจ็ดวันอันนี้เราจะไปถึอองอวัยภุมทั้งสี่ถ้าเราเห็นเนื้อหรือชิ้นเนื้ออย่างเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อคน ถ้าเห็นแบบนี้จะได้มาเกิดเป็นคนใหม่ถ้าเห็นป่าไม้ป่าชัดป่าโปร่งอะไรก็ตามนะอันนี้จะได้ไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชนันถ้าเราเห็นของที่เราทําบุญไปแล้วก็ดีเห็นเทวบุตรเทวดาก็ดีเห็นวิมานก็ดีได้ยินเสียงระฆังได้ยินเสียงอะไรที่เวงกุศลอันนี้เราจะไปสู่สวรรค์ ถ้าพวกเราทั้งหลายเห็นคมคมไม่แส่งตัวค้าเทวดาแต่ว่าชัดดาเป็นชันดาาน้ำเต้าปายไม่แหลมอันนี้เราจะไปคมโมลกถ้าเราเห็นองค์พระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์อันนี้เราจะได้ไปผ่านทีนี้ถ้าว่าเห็นหลายอย่างเทวดาก็เห็นคมก็เห็นองค์พุทธเจ้าก็เห็นถ้าอรหันต์ก็เห็นเราจะไปที่ไหน องค์หลวพ่อเขาบอกว่าอันไหนอยู่ใกล้เราที่สุดเราก็จะไปที่นั่นแหละที่นี่ท้งพวกเราทั้งหลายต้องการความพ้นพทุก็ต้องการอยากจะเข้านิพพานในชาตินี้ไม่ต้องการใ น, ใใน ว, ว่าแต่เกิดสวีก็ให้พยายามนึกถึงรูปอรหันหอย่าององค์หลวงปูม่านองค์หงพ่อนยนะกัดทุกวันทุกวันเอาจนจิตมันชินจนมันจําได้ ไม่ใช่นานก็จําพระพุทธรูกได้สักองค์หนึ่งจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ได้เพราะเราจะตายแบอีกกาะพระพุทธรูไปไว้อ่าแล้วก็นึกวก่าขอไปนิพพานขอไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพอเราใกล้ใกล้จะตายนะพระพุทธลูกจะแสดงพระพุทธปฏิหารใหญ่ขึ้นสวางขึ้นมีตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งยายคนหนึ่ง เป็นคนทำบุญทำทานไว้มากพอสมควรพอสมควรแต่ว่าเวลาจะตายน่ะองหลวงปู่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็ถามว่ายายเห็นอะไรไห้ยายบอกว่าเห็นไฟเห็นไฟต้องลงนรกตองหลวงปู่ก็เลยถามว่าตอนนี้ยายมีเงินบ้างไหมเพาว่ามีมีเท่าไหาร่มีแปสิบบาทเงินแปดสิบบาทสมัยนั้นก็คงจะมากพอสมควร เลวปู่อว่าเอางี่นะยายนะตอนนี้ยายคงจะไม่รอดแล้วนะเราเป็นชาวพุทธดีที่สุดก็คือพุทธศาสนาถ้าว่าเราทำไม่ดีมันก็พ่ายทุดข์มากที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณยายตัดสินใจนะว่าเงิน80ดสิบาทเนี่ยเราจะเอาสำหรับอี้สงถ้าเราไปวัดขอดีไปให้วัดร่างงานก็ดี ไดเอาอะไรมาบ้านมันเป็นของเราไม้แต่ใ บ, บไม้แห้งดินไม้แห้งเอามาแล้วมันก็เป็นบาปเป็นโทษแต่เอาของวัดมาโดยพระสงฆ์หรือไม่ได้ประชุมอนุมัติมันก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นขอให้ยมตัดชีนใจว่าเพคนปดสิบัติเนี่ยขอสำนักนิสงไม่ว่าจะเป็นมาสมัยใดเวลาไหนที่ใดอีกภพอีชาติ ก็ขอสาลักนิสงสิบาทนี่ทำได้ไหมทำใจได้ไหมยายบอกว่าทำใจได้พอทำใจได้แล้วองหลวงปู่ก็บอกให้ยาวยว่ายายตอนนี้ลองหลักจที้เหนพระพุทธลูกสบองเลยนะจะเป็นองเล็กองใหญ่องเท่านยก็ได้ชี้เก็ได้นะยมจำพระพระพุทธรไูได้สองหราได้จ้า นึกหลายหลายยาเออทีนี้เมยมเห็นก็ะพุทธหลบแล้วลวงก็ลองพิดเจรนานดูนะว่าเราเกิดมาแต่ละชาติชาติเนี่ยที่เราหลบไม่ได้หนีไม่ได้ก็คือความป่วยความแก่ความตายร่างกายเรามันไม่มีสักชาติเลยมีแต่ทุกข์เป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติตลอด ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหน อ, อืมแล้วก็ต้องมาเจอแต่ความทุกข์ทุกร้อยแปดพันเก้าก็จะให้ดีนะครมมาพูดทับเจ้าท่านกายแล้วท่านไม่ต้องการความเิอดอิกท่านก็ไปนิพพานจมจตัดสินใจว่าร่างกายที่ไม่ดีอย่างเนี่ยเราจะมีมันเป็นชาติสุดท้ายตายคราวนี้เราขอบไปนิพพานยยเดียวทำใจได้ไหมห่วงอะไรไหม ไม่ห่วงเจ้าค่ะอยากเะไปนิทานเจ้าค่าอถ้าจําพระพุทธพระพุทธหลูกแล้วปะท่องพุทโธพุธนะพอท่องพุ ท, ธพทธโธอ้ใหญ่ว่าพระสว่างดีเนาะตอนนี้เทพผมมาผมผมมาพระเจ้าข่าเต็มไปหมดอ่ะนายมชอบอะไรอ่ะชอบพระพระเจ้า่าศพพระเจ้าข่าข พ, ขพสย่สุดผมก็สวยสูส่ดสดสดได้ เ <c oughs> ทวดาก็สวยสุภาพไยด้านนี้ก็พุทธลุกแทวเราเป็นประกายอิจฉากว่าเทวดาและผมเท่าไหร่นั้นก็โยมชอบพระ ก, ก็ไปอยู่กับพรนะอนโยมก็ออกจากร่างไว้ก็ได้ไปสู่กนิบานะลเนี่ยองหลวงพ่อบอกว่าคนไม่ค่อยจใจนะเราไปช่วยคนแบบเนี้ยเอาเงินให้ให้ไปทำให้ไปชำระนิสง ถ้าเขาไม่เคยเป็นนิสงเขาจะเป็นสังฆทานไปแล้วเมื่อได้ทําบุญก่อนจายนะมันเขาจะได้ไปสู่ที่ดีทางเหมือนแนวของคุณปฐุมนะที่บ่นทุกก็กับพระเดนไหวเยี่ยมหลวงพ่อเขาไปให้ศีลให้พรให้สร้างพระสำหรับนิสงสร้างพระอุโบสถไหยสังฆทานเขาก็รับศีลแลบพรได้ทุกอย่างเออยู่มาวันทองวันเขากระจายไปแล้วเนาะ เอาว่าตังที่เรามานี่นะถ้าอารมณ์ของแม่เผืออะไรอีกเขาก็คงจะได้ไปดีเพราะหลงพ่อขอไนโยมมรดชเป็นสิริพยานขอคุณพัฒนจัยคุณงามความดีของเขาทุกๆทุกชาติทุกครับคุคองอีกเขาขอไว้ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีและไปสู่ที่ดีในสำหรับการบรรยายนรรมะเรื่องนี้ด้วยการอ่านเรื่อง คนตายแล้วพื้นนะแถมท้ายว่าเราทุกคนก็จะตใจมันเขาเราทุกคนจะทำยังไงพวกเราทั้งหลายจงอย่าประมาททำบุญทำทานทำคุณศลพอดีทุกอย่างจงหวังความพ้นทุกข์ขอเป็นผู้ใยเพื่อพระนิพพานถ้าจะนอนหลับจงอย่าคิดว่าจะได้จินคิดว่าถ้ามันตายแล้วห้ามมันไม่ได้แต่ก็ตาย พอตายเปงนชาสดท้า ย, ายตายคืนนี้ขอปวันนายเปตนมาตอนเช้าจงอย่าได้คิดว่าจะเห็นพระที่ตุกินความตายเป็นของเที่ยงร่างกายเราเป็นของมาเที่ยงถ้ามันจะตายเราห้ามมันไม่ได้ถ้าตายวันนี้ครบพร้อมแล้วตายกของวนนี้ไปอย่ายเดียวถ้ายังไม่ตายทํางนานกระทำหน้าที่ของใครของมันเป็นหัวเราให้เป็นหัวที่ดีที่สุด อยาให้เมียช่างใจอยากให้ลูกหลานช่างใจเป็นเมียก็เป็นเมียที่ดีที่สุดให้ผัวช่าใจอยากเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกภูมิใจเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีที่สุดให้แม่ภูมิใจเราทาหน้าที่ของเราแต่ละคนละทางให้มันนีได้จุดส่งท้ายที่นทวนคอยเป็นแชสสุดท้ายของกเราทั้งหลาย อันจบจบวันนี้ขอขออีในความเงียบเนาะบำเท็มารวนาที่จะรณาตอมไปจนก่่ยจะได้เวลาอูที่สมควรและสด